พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลําลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16เมษายน2557มีชื่อเรื่องว่าเศรษฐกิจไม่พอเพียงเมื่อเนเป็นวันที่ 16หเมษายนพุทธศักราช2 5 5พัห้อสเจ็สองสามมื่นิพานมาลูกหลานเกล่นสงการผู้ที่มาทําบุญตามวัดวายพระตามวัดต่างๆก็มีแต่ว่าปีนี้ถ้าจะว่าไปแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยหลายนะพี่น้องลูกหลาน ตามที่หลวงพอ่อยู่วัดนะเขาอาจจะไปวัดอื่นก็ได้แต่ในบัดขคองหลวงพ่อเบิงเบิงแล้วคนทางไกลบอมปอมากมีแต่คนในระแวกแถวจังหวัดอุดรท้องน้องค่ายแถบนี้นมีโยแล้วก็ญาติโยมที่รู้จักมักคุณเคยมาวัดหลวงพ่อเคยมาทําบุญอันนั้นก็ธรรมดาเพราะว่าเป็นวันหยุดหลายมือ ผ้าลูกผ้าหลานผ้าขอบขั้วมาทําบุญแล้วก็กราบคู่บาอาจานตามวัดต่างๆอันนี้ก็มีอยู่ปกติแต่ว่าขาจอดมาเนี่จากทิ้นอื่นเนี่ยรู้ซึกว่าหน่อยปีนี่บอกคือปีกรรกรเขคงจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจนั่นมละการคลองอชีพสิ่งของใดก็มีแต่แพง ค่ารถกัแพงค่าอาหารกัแพงค่าที่พักผ้าอาศัยกัแพงบาดหาไร่ใดมันบอมันบาลันกันมันผสมดุลกันผู้ปินหัวนาขอบรั้วก็ต้องคิดลนะบานถ้าเท้าสิไปไกลก็จะต้องค่าใส่ใจในขอบรัวของเท้าต้องล่อยหลอลงแน่แเป็นเีจตามาเยี่ยมพ่อแม่มาเยี่ยมพ่อแม่แลยก เฝ้ากับหรือว่าบริเทียวไปมองอื่นสรุปเลยก็คือเศรษฐกิจเนี่ยลุกพอเล่งไปตั้งเศรษฐกิจเศรษฐกิจของบ้านเมืองก็คงจะบอบอสพัดเท่าไหร่ปีนีผู้รวยก็สิรวยหรอวะแตผู้จนก็จีนั่นน่ะคงจะมีพวัการทํามาคาขายอย่างๆพาลุง่งพระล่าจอย่างสี่กัน ตกตำเข่าก็ต๊กตำเรือ่องราคาสิ่งของแราบ่ค่าคล้องฉีบนี่สูงบานเนี่ฟังฟังเบิ่งแล้วมถึงยังไงก็ตามการทบพวกเฮ้าทั้งหลายูกหลานทั้งหลายหูจักการบริหารจัดการกับตัวเองนะอย่าไปพุ่มเฟอือยฟุ่มเฟือยจนเกินไปอย่าไปใช้เกินตัว ให้หูจักบริหารจัดการค้าใช้ใจ่ายทั้งหลายทั้งปวงบอมมีผลได้ชิหูจักยิงยิ่งกว่าตัวของเฮ้าเองคนาวา่าเฮ้าใช่เกินตัวเราก็จะต้องพยายามหาหาให้เพียงพ่อในเศรษฐกิจพ่อเพียงะ ค, ะคือให้รู้จักหา ให้หูจักเก็บให้หูจักใสข้านาวาเข้าหาได้หน่อยเข้ามีแต่ใส่แล้วก็บกหูจักเก็บอีกต่างหากอันนั้นแปลว่าเศรษฐกิจบอพ่อเพียงละ่ะอีกสักมือหนึ่งเข้าอาจจะเป็นขโมยโผยโจรทำมิดชาชีพน้าไดสิไดมากไปทางความซัวได้ง่ายเพราะเหตุใดเพราะเขาใช้เกินตัว เพราะในเสียงโมนีเสียงเรานี่ยเข้าต้องพยายามบริหารจัดการให้ล่งตัวในการเลี้ยงชีพของพวกเข้าเพราะนาลูกหลานไปอยู่นสถานที่ใดให้คึดให้เบิงจบของผู้อยู่บ้านอยู่เมืองขึ้นกันพยายามสอนลูกสอนหลานให้มันขยันในการทํามาหาเลี้ยงชีพนะโมเมนต์ที่ได้เงื่อนขายยางมาแล้วก็ ตำพริกกระ บ, บเป็ดไปหนุนไปซื้อมาจากตลาดมัอไปเอาไปมากอะไรมีแต่ซื้อมาแล้วเฮ็ดกินบเป็ดบาฮันิอย่างราคาตกของราคาถูกก็มากเพรกันบัตรทะเลาะกันเพราะเหตใดเพราะมันบ่เคยเฮ็ดเลยมันเคยสบายมาแล้วสบายใ น, สอ น, ย น, นสอนง่ายเดยการงานในสอนยาก ขั้นขี่ข้านห ม, มั่งง่ายเหมืนมั่ง่ายเหมไปมันไปทั้งกิเลสเนี่ยนั้นคอ้ลูกหลานนะสิ่งเราเนี่ยเขาต้องคิดหลวงพ่อเขาบอกกับหลวงพ่อเขาบอกว่าลูกหลานทั้งอีสานเนี่ยขยันอยู่ในการหาเงินแต่โบหุ่นจักเก็บบหุ่นจักบริหารเจ้าของขั้นได้เงินมากเดือกันพอได้รับเงินเดือน ออกไปกินไปใส่ซะก่อนพ่อเงินไปกินไปใส่เลยยังคอยมาทํางานต่อข้านาวาสิทางานไปเลยเลยทำงานใดมากงานทางานไปเลยเลยโดยมากปกครอยมีพ่อได้เงินมากแหละก็ยุดงานไปหายใส่เงินซะก่อนพอเงินลอยลอเกือบสมบัตเลยยังคอมาทํางานโดยมากลูกหลานทางอีสานจะเป็นจ้ารัษณะจ้าสี่ หลวงพอ่ออย่างนี้หลวงพ่อก็บรสบายใจขึ้นกันเพราะหลวงพ่อเป็นคนทั้งอีสานยกตัวอย่างสมมูตว่าคนงานน่ยทั้งอีสานเนี่ยซีฟคนอนไปทํางานรับเหมาอยู่ในปา่าส่างบ้านอยู่ในปา่ารถออกมากบา่อใดพวกนายจ้างนี่ขนของไปให้ขาอาหารขนอาหารไปให้ ไปพอเออสิบปอดิมาเนเจ็ดมือเน่ในอาหารสื่อมาหายเพียงพ่อทั้งเขาทั้งอาหารสดทั้งอย่างเอาไว้กินเน่ิบปอดิมาส่งอีกเดยเจ็ดมือพอมีทุระแ่าแกส่งของอาหายอะไกักราบมากแล้ ว, ลวดยมากคนคนงานทั้งอีาสานเนี่ย มีอยังต่อหน้าเนีกินมัดจะเป็นเนือ้อเป็นปลาเป็นยังก็ต่างกินจนมันมดไพ่หน้าสองสามมื่นหมื่สองหมืมัดพ่อมดแล้ววานนีกนกนก้กินยังก็ได้ป่ะเนี่กินแจวกินพักกินยังก็ได้หากินไปเลยล่ะอันนี้ที่จะเก็บสิ่งของไว้ใส่ไว้กินเออเจ้าน้ายเขาบริมาได้ยัดมือนะ เออเมื่อนี่กินเท่านั้นเมือนน่อ น, นั่ น, น, นกินเท่านั้นเมือนน่อ น, นั่นกินเท่านั้นเมื่อนั่นกินเท่านั้นสิวบวบ่อคอยมีทางอีสานว่างแผนบ่อเป็นสรุปแล้วพวกเขาคิดคิดไปหนูที่หลวงพอวอเนี่ยมีส่วนบอ่ออันนี้เขาว่าให้หลวงพอ่อฟังหลวงพ่อเบิงเบิงสังเกตเบิงสังเกตพระในวัดของหลวงพอ่อขึ้นกันกัลักษณะจังสันขึ้นกันแต่หลวงพอบ่อเป็นจังสันเนีถึงหลวงพ่อเป็นคนอีสาน กับลูกกับหลานก็จริงอยู่แต่ลวพอน่ยว่างแผนใดคันว่าช่วงไหนที่มันสิบว่พอใส่เนปัจจัยตั้งแต่สางวัดมาแล้วลงพอจะรัดเข็มขัดทันทีเลยใสให่หน่อยที่สุดการใช้จานใจแต่ถึงจะคู่มือนี่ยก็เถอะลงพอก็ยังเบิ่งอยู่ขึ้นกันบ่ได้ประมาทเพราะว่าไายใดมันมากมากจังไหนมันเหมาะสมจังไหน มันโมเมนต์จะไหลามาอยู่เลยยังปีนี่แล้วยังที่หลวงพอวอกให้ฟังที่แล้วพี่น้องลูกหลานเขามาวัดหน่อยเนอะออก็ว่าหน่อยครับนี่ก็คืออย่างมันโมแมนหน่อยจะข้นเลยปัจจัยเจตุปัจจัยมันก็นหน่อยน้าขึ้นกัน เ, เพราะนั้นเขาเคยใส่เฟอเขาเคยใส่ย่างเกาเขาทิใส่ย่างเกาวามันขาดเหลือขาดตกเป็นอยังมันบ่อใดมันบ่อใดได้เพราะว่ามันเช็ด น, นั่นเล เศรษฐกิจมันเป็นยังสี่เพราะนั่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราเนี่ยนะมันต้องมองใส่มองคว้ามองหนามองล้างมองสูงมองตำ่ำมองเขามองเล่ามองทุกสิ่งหลอบด่านหลอบขางสิ่งแวดหล่อมสรุปแลยคือให้ใส่ปัญญาบอให้ใส่ซื่อบื่อคือค้อมง่ถ้าว่าใส่สื่อบื่อคือค้อมงอไปอยู่ใสใน้ำ บกมัดโจโลพุ่นโจโลผี่ซือบือพุนซือบือผีอคันบ่อใดยังใจจะข้อมกัน่โมโหโกธาทั้งที่ตัวเองใสใสคือจาก ไ, ไหนใสคือเก่ามันจะขี้เก่าใดจากไหนพอมันบกคืเอเก่าผู้ที่ใช้ปัญญาจงเบงสังเกตหูจักเลยทันทีแหละเศรษฐกิจแบบนี้บ้านเมืองแบบนี้การเป็นอยู่แบบนี้เขาจะเหตุแบบใด เราจะว่างตัวแบบไดห้อสีอยู่กินแบบไรห้องสีใส่แบบไรต้องเลยคิดล่ะขันภูบรคิดก็ิจวานเะนี่ะขาเคยใส่แบบนี้เคยอยู่แบบนี้ เ, เป็นอย่างมันบอมมี่ใส่แบบแบบลืมตัวเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะอันนี้เป็นแนวความคิดในการบริหารจัดการอยู่ใส่ก็วอดทุก บ, บ่เดือบบ่หลอนเฮาเป็นพรนะก็อยู่อย่างพระนะ ก็ต้องเดือดหลอดไม่ยู่ไม่กินเนอะอิ่มทองหรผ่ามันบกขาดง่ายหรอกแกล่ลูกจาแก่หลบไพ่ใครเจ็บกับพ่อเป็นสิ่งอื่นนะงดไว้ซะก่อนของฟุม่มเฟือยไม่จำเป็นไม่ต้องใช้มั้คนว่าพวกเข้าท่ำตนยังสันได้เลยอยู่ใส่สบายมัดอยู่แบบสบายอยู่แบบพระพ น, น, นั้นขอให้พวก ลูกหลานทั้งหลายนะคณะชาตทยเนยี่ยโมทุกขกู่ทุกคนให้มองเจ้าของลูกหลานไปอยู่ใสก็ตามให้หูจักในการบริหารจัดการคณะวา่าเฮาได้เหมือลมนละเหมือนล้านเหมือนล้านใส่ไปลดตัวไปใส่จังไหนใส่ไปลดตัไปจะไปเก็บไหวกันเก็บไวเขาว่าคนขี้ทีบา้าน้าเฮาได้เหมือนละบาทไปใส่มือนละสิบ ลองๆเบองอีกสักน้อยน่ยก็ซอะไรล่ะยู่ไปยุบในคุกพบักงานไปกินเข่าแดงอยู่คุกคนนะเพราะเหตุใดเพราะมันบ่ามีใส่เด้รถมันบอก่ะแมนโบแมนโบแมนโบแมนมึนวางจัดบอกเอารับพรทวาร <laughs>